เมนลมอาจารย์สอนสมาธิภาวนาที่มีประสบการณ์จะต้องรับมือกับลูกศิษย์ที่ประกาศตนว่าบรรลุธรรมแล้วอยู่บ่อยๆวิธีการทดสอบอย่างหนึ่งที่ใช้กันมานมานานว่าคำประกาศนั้นจริงหรือไม่คือการด่าทอลูกศิษย์ อย่างรุนแรงจนลูกศิษย์ออกอาการโกรธในที่สุด น, นักบวชทุกรูปในพุทธศาสนาย่อมทราบดีว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดยังมีความโกรธผู้นั้นยังไม่บรรลุนแน่พระหนุ่มชาวญี่ปุ่นองค์หนึ่งมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้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 แผ่นหนังปากาขนนกและหมึกมาถึงมือท่านในอาทิตย์ถัดมาสองสาวันถัดมาหลังจากที่ท่านได้ทำสมาธิและคิดพิจรารณาท่านได้บรรจงเขียนคำประพันธ์สั้นๆบนแผ่นหนังคุณภาพดีด้วยลายมือประณีตสวยงามที่สุดว่า หนุ่มผู้ไม่ประมาทปฏิบัติสมาธิภาวนาตามลำพังถึงสามปีไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วเพราะลมทั้งสี่แห่งโลกลมทั้งสี่แห่งโลกในที่นี้หมายถึงโลกธรรมแต่โดยปกติแล้วฝ่ายเทรวาถือว่าโลกธรรมมีแปดคือมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศ นินทาสันเสริญสุขและทุกโบราณอาจารย์มักจะเทียบโลกธรรมกับลมเพราะสามารถมากระทบเราได้จากทุกทิศทางและเปลี่ยนทิศอยู่เสมอท่านมั่นใจว่าท่านเจ้าอาวาสผู้ทรงปัญญาเมื่อได้อ่านคำประพันธ์ ที่เขียนด้วยลายมืออันประนีบระนจงนี้ย่อมจะรู้ว่าบัตรนี้ลูกศิษย์ของท่านบรรุทำแล้วพระหนุ่มบรรจงม้วนแผ่นหนังนั้นมัดอย่างระมัดระวังด้วยริบบิ้นแล้วรอเวลาที่สารจะถึงมือท่านอาจารย์ วันเวลาหลังจากนั้นท่านวาดภาพว่าท่านจเจ้าอาวาสจะยินดีปรีดาเมื่ออ่านคําประพันธ์อันแสนจะอัจฉริยะที่ถูกเขียนขึ้นอย่างสุดประนีตนั้นท่านเห็นภาพมันถูกใส่กรอบ ร, ราคาแพงแขวนไว้ที่ศาลาใหญ่ของวัดไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านจะต้องถูกกดดันให้รับตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดในทันทีหรือมิฉนั้น ก็อาจจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองมันช่างเป็นความรู้สึกดีจริงๆที่ในที่สุดท่านก็ทำสำเร็จเมื่อผู้ดูแลวัดพายเรือลำเล็กๆมาถึงเกาะเพื่อส่งของใช้ประจำอาทิตย์พระหนุ่มก็รอเขาอยู่แล้วผู้ดูแลวัดมอบม้วนแผ่นหนังคล้ายๆที่ท่านได้ส่งออกไป เพียงแค่ผูกริบบิ้นคลสีเท่านั้นให้แก่ท่านเขาเรียนท่านสั้นๆว่าจากเจ้าอวาตด้วยความตื่นเต้นพระหน่มแกะริบบิ้นที่ผูกออกแล้วคลี่ม้วนแผ่นหนังนั้นทันทีดวงตาท่านจดจ้องอยู่ที่แผ่นหนัง แล้วมันก็เบิกกว้างขึ้นเท่าไข่หารหน้าของท่านก็เผือดขาวมันเป็นแผ่นหนังของท่านเองแต่ที่ท้ายประโยคแรกซึ่งท่านบรรจงเขียนไว้อย่างประณีตงดงามนั้นท่านจะอาวาดได้ต่อเติมคำว่าตดลงไปโดยใช้ปากกาหมึกแดงด้วยหลายมือวัดๆอย่างช่วยๆและหยาบที่สุด ทางด้านขวาของบรรทัดที่สองก็มีรอยเปื้อนน่าเกลียดเขียนคำว่าตดด้วยหมึกแดงบรรทัดที่สามก็มีคำว่าตดด้วยลายมือเคียรอย่างขาดความเคารพเป็นที่สุดเช่นเดียวกับบรรทัดสุดท้ายของบทประพันธ์นั้นนี่มันมากเกินไปซะแล้ว ไม่เพียงแต่เจ้าอาว่าผู้แก่ชาราจั ง, งโง่จนไม่สามารถตระหนักได้ถึงการบรรลุธรรมที่อยู่ตรงหน้าจมูกอ้วนของท่านแล้วท่านยังสุดจะไร้ามารยาทและป่าเถื่อนที่มาทําลายงานศิลปะด้วยการเขียนคำห ย, ยาบๆลงไปอีกด้วยท่านเจ้าอาวาาช่างประพฤติตนเยี่ยงนักเลงไม่ใช่พระเป็นการศพประมาททั้งงานศิลปะขนบธรรมเนียม และความจริงดวงตาของพระนุมปรีลงด้วยความโกรธเคืองหน้าของท่านแดงกําด้วยแรงมานะและโทสะแล้วท่านก็เค้นเสียงออกมาสั่งคนดูแล ว, วัดว่าพาอาตมาไปหาเจ้าวาดเดี๋ยวนี้นี่เป็นครั้งแรก ในเวลาสามปีที่พระนุ่มได้ออกจากอาสมบนเกาะด้วยความเดือดดาลท่านบุ ก, กไปถึงห้องของท่านเจ้าอาวาสโยนม้วนแผ่นหนังโครมลงมาตกและเรียกร้องขอคำอธิบายท่านเจ้าอาวาสผู้เปี่ยงไปด้วยประสบการณ์หยิบแผ่นหนังขึ้นมาอย่างช้าๆกระแอมกระไอให้คอโล่งแล้วจึงอ่านบทกวีนั้น ไม่ประมาทปฏิบัติสมาธิภาวนาตามลำพังถึงสามปีไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วเพราะลมทั้งสี่แห่งโลกท่านวางม้วนแผ่นหนังลงจ้องมองพระนมแล้วกล่าวต่อว่า ยังไงล่ะพนมลมทั้งสีแห่งโลกไม่สามารถจะเคลื่อนท่านได้อีกต่อไปแต่เพียงแค่ลมตดเล็กๆทั้งสีนี้ยังเป่าท่านกระเจิงข้ามทะเลสาบมาถึงที่นี้ได้